นิวรณธรรมแปลว่า ร, รมเครื่องกันจิตไม่ให้บรรลุ ก, กุศลคุณงามความดีได้ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องํำจัดนิวรณธรรมห้าประการนี้ให้หมดไปจากจิตใจของตนให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วการบาเพ็ญบุญกุศลก็จะไม่เจริญก้าวหน้าไปได้ เพราะมันมีสิ่งขัดขวางอยู่ <c oughs> เช่นอย่างนิวรณธรรมข้อแรกกามฉันทะความพอใจในการมคุณทั้งห้านี่เมื่อบุคคลมีความพอใจระคร่ในการมคุณมีรูปเป็นตน้น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 โกโรธไวในใจนั่นแหละเมื่อมันถูกใจเจ็บกับใครไว้แล้วมันก็วิตกวิจารคิดจะล้างผลาญแก้แค้นอยู่อย่างนั้นหาความสงบใจไม่ได้เลยความที่ใจหดหู่และเคิ่มเคิ่มหมายความว่าใจอ่อนแอท้อแท้เมื่อความง่วงเหงาเขา้าครอบงำแล้ว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 ชำละจิตใจให้ผ่องใสก็ลุกไม่ได้เอาแต่นอนเป็นประมาณอย่างนี้นะพอถึงเวลาทำการทำงานมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ฝึกจิตใจอะไรส่งใจไปจดจ่ออยู่กับหน้าที่การงานต่างๆทันเวลาเสร็จจากงานภายนอกแล้วก็เอาแต่นอนเสีย อย่างนี้แนละ้วมันจะมันจะได้ทำงานอะไรเราบ้านี้มันจะได้อบรมจิตใจที่ไหนอ่ะเพราะฉะนั้นแลยความว่าเงเหาหานอนนี่นะอย่าไปนึ ก, กว่าเป็นของดีเนอะทุกคนนะ่ะนี่แหละเป็นเครื่องกั้นจิตตัวสำคัญเลยทีเดียวทำให้จิตไม่มีปัญญาไม่ไม่มีความรู้ความฉลาด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 มันก็ไม่มีเวลาสงบเลยเมื่อจิตไม่สงบแล้วกุศลก็ไม่เกิดเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ่ะเหตุนั้นท่านจึงว่าเป็นทำเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุกุศลทำต่างๆได้อีหนึ่งความสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์โลกตลอดถึงโลกหน้า รรดถึงสวรรค์หรือพระนิพพานนรกอะไรโมนเนี้ยไปเที่ยวสงสัยไปหมดว่าจะมีจริงหรือไม่หนออะไรโม น, นีนะถ้าไปมีสงสัยอย่างนั้นการเวลาที่ควรจะใช้ภาคเกียนพยายามละความชั่วทำความดีให้เจริญก้าวหน้าไปมันก็ทำไม่ได้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 เบียดเบีย น, ยนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้ถ้าพูดถึงในความโกรธความพยาบาทก็ดีเพียงแต่ดำริอยู่ในใจพูดถึงความรักความใคร่ก็เหมือนกันไม่ถึงกับว่าจะไปแสวงหาจริงจังเป็นแต่เพียงความคิดอยู่ในใจพอแต่ลบ ก, กวนใจไม่ให้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 ตัวเองได้มันทําลายได้ถ้าประมาทแล้วมันกลายเป็นกิเลสหยาบถ้าไม่ประมาทกระคับประคองไปมันก็เป็นกิเลสอย่างกลางไปถ้าเพียรกําจัดมันมันก็ระ ง, งับไปจา ก, กจิตอจิตก็ถึงซึ่งความสงบเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะก็ให้พึงพากันจําไว้ จำให้ได้อ น, นิวรณห้านี้นะถ้าใครจำนิวรณห้านี้ไม่ได้ภาวนาก็ไม่เป็นหรอกไม่รู้จักวิธีกำจัดนิวรณธรรมนี่ออกจากกิจใจแล้วใจมันจะสงบได้อย่างไรอะ่ะเพราะฉะนั้นให้พากันคิดดูให้ดีเราจะไปก้าวไปสู่คุณธรรมขั้นสูงก็ไปไม่ได้ฮา เพราะว่าจิตใจมันมัวหมองอยู่ด้วยทมทั้งหลายเหล่านี้อย่าให้มันใจมัวหมองเช่นอย่างว่าถ้าความงวงครอบงำเข้าไปแล้วใจก็มัวหมองเนี่ยลองสังเกตดูเวลาใดที่ร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีงวงเหงาหผลา น, นซึมเซ่ไปแล้วก็เอาละดูดูดจใจใจ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 ใจสงบลงไปได้อย่างนี้มันก็เป็นบุญกุศลไม่ใช่น้อยฮะนี่เรียกว่าเราเพียรละบาปอย่างกลางนะเมื่อบาปเหล่านี่ระงับลงไปบุญก็เกิดขึ้นมาใน จ, ใจิตใจคือการที่ใจสงบเบิกบานนั่นแนะเรียกว่าบุญเกิดขึ้นนะไม่ใช่อื่นไกลอะไรอนะ่ะวันนี้ลำดับต่อไปก็ได้แก่กุศลนหละวันนี้นะ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 เนื่องจากว่าใจนั้นเบิกบานผ่องใสมันถึงได้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นนี่นะคำว่าละบาปบำเพ็ญบุญนะ่ะให้พึ่งพากันเข้าใจแต่ถ้าละบาปแล้วไม่บำเพ็ญบุญไม่ไว้สักหน่อยบาปมันก็กลับคืนมาแทรกแซงอยู่กับจิตเหมือนเดิมนั่นแหละ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 แต่ถ้าว่าได้พักผ่อนร่างกายนี้ให้สมดุลกันอย่างนี้แล้วร่างกายนี้ก็แข็งแรงทําการงานอะไรก็ได้ไม่อ่อนแอจิตใจนี่ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราให้มันได้สงบอยู่ได้นานสักหน่อยมาเรียกว่ามันได้พักผ่อนมันไม่ได้คิดไปอะไรอะไรามากมายอย่างนี้นะ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 มันก็เดือดร้อนเนะ่นี่เราคิดดูบุคคลผู้ที่ติดความสูกชั่วคราวไม่พาถนาอยากจะฝึ ก, กจิตของตนให้สงบระ ง, งับให้ตั้งมั่นแข็งแรงนะจะต้องได้รับความทุกข์ในภายหลังเห็นแต่แก่หลับแก่นอนเห็นแต่แก่อยู่แก่กินเห็นแต่แก่ความเพลิดเพลิน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 ถ้าเชิญหน้ากับทุกอยู่ในปัจจุบันนี้นะอันนี้แหละมันจะพาให้พ้นทุกไปได้นะเพราะเราทำความรู้เท่ามั น, นเราไม่หวั่นไหวมันเลยเวลาทุกขคือร่างกายนี่มันวิบัติแปรปวนไปมันทนได้ยากลำบากเจ็บน้่นปวดนี่เป็นลมหน้ามือดอ่อนเพลียและเหียใจ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 ยับยังชั่งใจมากำหนดเพ่งดูอยู่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นตรงไหนเพ่งดูตรงนั้นเลยเพ่งดูจนให้เห็นว่าไม่มีใครเป็นทุกข์หนุนให้มันเห็นขึ้นมาในใจอย่างนั้นนะไม่มีไม่มีคนไม่มีสัตว์เป็นทุกข์เลยมันมีแต่สภา ว, ธ, าภาวธรรมอาศัยซึ่งกันและกันอยู่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 มันก็ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันเนี่ยจิตนี้ก็ดีนะลองพิจารณาดูให้ดีเราเพ่งดูภายในความรู้สึกอันนั้นเมื่อเราเพ่งดูให้ละเอียดถี่ถ้นเข้าไปจริงๆแล้วมันจะเห็นว่าเป็นของว่างนะว่างจากสัตว์จากบุคคลจริงๆนะความรู้สึกอันนี้นะมันว่างแล้วถ้าเราเพ่งดูจริงๆเนะ่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 น้อมนึกถึงอารมณ์ต่างๆจิตแปลว่าความคิดนี่นะใจคือความน้อมนึกจิตคือความคิดต่อแบบนี้นะการที่มันคิดไปในอารมณ์ต่างๆนั้นนะท่านเรียกว่าจิตการที่มันน้อมใจไปในอารมณ์ต่างๆนั้นท่านเรียกว่าใจนี่นะให้ให้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 แต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะละความชั่วนั้นได้เพราะมันไม่รู้จักนี่เรื่องมันนะต่อเมื่อได้มาฝึกฝนอบรมจิตตรงนี้ให้เข้าถึงความสงบแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละมันถึงได้มองเห็นน่ะมองเห็นความชั่วว่าเป็นความชั่วจริงๆมองเห็นบาปว่าเป็นบาปจริงๆอย่างนี้นะ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 มันก็เป็นหน้าที่ของกรรมชั่วอะไรจะพาไปแบบนี้นะนั่นตัวไปสะสมเอามันมากมากไว้นี่ให้พึ่งพากันสังวรพึ่งพากันเข้าใจดังนั่นแหละการฝึกผลอบรมจิตใจนี่นะมันจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องภาคเพียรพยายามขาจัดเหตุแห่งทุกข์นี่นะ ให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตใจนี้เดีอนนี้เมื่อเรายังไม่ได้ฝึกจิตใจเนี่ยใจมันยึดถือเอาเหตุแห่งทุกข์ไว้ใจมันยึดถือเอาเหตุแห่งทุกข์ออกไว้เรื่องมันน่ะมันยึดอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่ยอมวางะ เช่นความรักอย่างนี้นะมันก็ยังยึดเอาไว้อยู่ความเกลียดความชังอย่างนี้นะมันยังยึดเอาไว้อยู่อา้าวเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันยึดจ่ะรู้ไดนะ้เวลาตาไปเห็นรูปสวยๆงามๆเข้าอย่างนี้นะมันเกิดความวิตกขึ้นมาแล้วไม่หรนนะรูปนั้นสวยงามจังอย่างนี้นะพอมันวิตกขึ้นอย่างในความรักมันก็เกิดขึ้นในใจแล้ว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 แล้วมันก็ไม่เกลียดไม่ชังนะเพราะมันไม่มีบุคคลจะให้เกลียดให้ชังนะใจนั่นมองเห็นเป็นแต่สภาวะธาตุเฉยๆนะนี่ทำได้ไหมล่ะลองถามตัวเองดูสิถ้าทำใจยังไม่ได้อย่างนี้นะอย่าไปนิ่งนอนใจอ่านี่แหละทุกข์มันจะติดตามไปเพราะใจมันไปยึดมั่นกิเลสเหล่านี้ล่ละไว้ะ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 แม่จะรู้เท่ายังไงยังไงมันก็เป็นทุกข์อยู่นั่นแ่ะร่างกายนี่คือมันมันก็แปรปวนวันไว้ไปมาอยู่นั่นแหละร่างกายนี่อนะาการที่ร่างกายมันแปรปวนไปมาอยู่นั่นแหละคือทุกข์คือลักษณะแห่งความทุกข์ให้เข้าใจกันเป็นหน้าที่ที่ดวงจิตนี่จะต้องรู้เท่าไม่ใช่ละ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 อันนั้นมันหกไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนเพราะว่ามันมันไม่ถือว่าเป็นของเราอรืเอื่อมานอะอันนี้สำคัญมากทีเดียวนะให้พากันใส่ใจให้มากๆเลยทีเดียววะไ อ, ะอะ้พวกที่บําเพ็ญทางกิจใจนะผู้ที่ทำใจให้สงบลงไปแล้วแล้วเจริญปัญญาเนี่ย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 มันหวงโลกอันนี้อยู่ดังนั้นมันถึงต้องได้มาอาศัยโลกคือขันห้าอันนี้อยู่นี่นะมนนี่เมื่อเรามาเห็นโทษแห่งความยึดถือขันห้านี้ว่ามันประกอบไปด้วยทุกน า, นานาประการอย่างนี้ก็ามาหัดภาวนาสมาธิจเจริญปัญญาสอนจิตนี้ให้ปรงให้วางขันหานี้อ่อ สุดแรกแเราจะมีอุบายอะไรมาสอนจิตนี่นะให้มันปรงมันวางขันห้านี่อย่าให้มันยึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเราขันห่านี่ท่านเปรียบไวเหมือนอย่างเพชรสคาตไม่ใช่ใครอื่นเลยพระพุทธเจ้านั่นทรงเปรียบน ะ, ะเพชรสคาตนี่มันไม่ปรานีปลาใสกับใครเนะี่ะ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 ก็บังคับไม่ได้เลยมันไม่เป็นไปตามใจหวังของผู้ใดทั้งหมดเลยนี่เพราะฉะนั้นมันจึงว่าเปรียบเหมือนเพศขา้าต น, นแหละบทเพศขา้าตนบทได้รับคําสั่งเด็ดขาดแล้วไอ้ผู้ที่ถูกประหาร น, นั้นจะร้องขอยอมื อ, อยังไงโอ้ น, นอนยังไงเพศข้าดมันก็ให้อภัยไม่ได้เลยอื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 อลองพิจารณาดูสินั่นแหละอันที่พระพุทธเจ้าเปรียบขันหานี้ไว้เหมือนกับเพชสคาดห้าคนนั่นนะ่ะไม่มีผิดเลยนะนับว่าถูกต้องทีเดียวธาตุสี่นี่พระองค์ทรงเปรียบไว้เหมือนกับบุคคลเอางูพิษสี่ตัวมาเลี้ยงไว้ในเรือนนะเป็นอยังไงไอธรรมดางูพิษนี่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 นอนใจไม่ได้เลยพราะว่าประมาทหน่อยหนึ่งก็หลงเท่านั้นแหละหลงหลักสูตรไปแล้วอืมหลงอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วนี่ไปอย่างนั้นเห็นเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาตัวตนไปวะนี้นะเมื่อมันหลงอ่ะมันเป็นอย่างนั้นแนะ่ะดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงสอนแนะนําสั่งสอนให้ กระทำให้มากจเจริญให้มากเมื่อเราทำให้มากจเจริญให้มากมันก็เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความเห็นจริงเพื่อความดับคือดับทุกข์ทั้งหลายออกจากจิตใจทุกข์ทั้งหลายยอมดับไปเมื่อเกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงไม่ยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วจิตนี้ไม่มีทุกข์แล้ว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 เราทำบุญกุศลอยู่เสมอเสมอนี่บุญกุศลคงช่วยเราแล้วอย่างนี้ไม่ทำอุบายแยบภายในใจไม่สอนใจตัวเองด้วยปัญญาดังชี้แจงให้ฟังมานี่ล้วก็ยัง้งยังพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพียงแต่ทำบุญกุศลให้ทานรักษาสินแล้วก็ภาวนาไปเพียงแค่ทำใจให้สงบเท่านั้นเลยยังนะ อย่างพ้นทุกข์ไม่ได้อย่าอย่าไปเข้าใจผิดไปการที่จิตตรงนี้มันจะพ้นทุกข์ได้นั้นก็เมื่ออปรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วปัญญานะกลับมาสอนจิตนี้อีกทีหนึ่งนะดังที่ชี้แจงแสดงอุบายต่างๆให้ฟังมานี่นะเนี่ยรวนจะเป็นอุบายสอนจิตทางนั้นแหละนี่นะ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 ก็เพราะเราบำเพ็ญบุญกุศลต่างๆโดยลำดับมาเก็บพร้อมลอมริบเอาบุญกุศลต่างๆเข้ามารวมไว้ในจิตใจดวงเดียวเนี่ยเป็นกาลังใจดังที่เคยอธิบายให้ฟังมาอยู่บ่อยๆอยู่นั่นแหละบุญกุศลนี่เป็นกาลังใจนะไม่ใช่อย่างอื่นนะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วภาษาสดา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 การบาเพ็ญบุญกุศลนี่อย่าไปอยากได้มากทีเดียวเลยฮะเพราะเมื่อกําลังของตนไม่เพียงพอจะไปทำให้ได้มากๆทีเดียวมันก็ทาไม่ได้เหมือนอย่างคนทำการค้าการขายอย่างนี้เมื่อทุนของตนมีน้อยอแล้วจะไปทำการค้าให้ใหญ่โตไปมันก็ทำไม่ได้ก็อย่างนั้นแหละเมื่อทีแรกนี่ทุนมีน้อยก็ทำไปตามน้อยก่อนแหละ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 อันอํานาจของบุญกุศลนี่นะมันก็เหมือนอํานาจของเงินนั่นหละเมื่อคนเรามีเงินมากๆคือเราไม่นักผลัก ด, ดันให้ทํางานขยายงานออกก้วงใหญ่ออกไปเรื่อยๆนะอ่ะนี่ลองลองสังเกตลองเปรียบเทียบดูเหมือนอย่างท่านผู้มีบุญทั้งหลายเหมือนั่นนะเมื่อท่านได้ทําบุญกุศลมากๆเข้าไปเลยยิย่งขยันในการทําบุญนะไม่มีถอยหลังก็แล้วกันนเอ่า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 เหตุนั้นท่านจึงได้ขวนขวายสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นโดยลำดับไปไม่ท้อไม่ถอยเลยจนตลอดชีวิตทําอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่พวกเราเหล่าพุทธบริษัทที่เราเกิดมาสุดท้ายภายหลังอย่างนี้เราก็ควร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 ความรู้ความฉลาดนั้นนะมันกค่อยงอกงามเจริญขึ้นไปโดยลําดับเช่นพูดถึงธรรมของจริงก็เหมือนกันนะอการทีเ่เราจะรู้ธรรมของจริงได้ก็เพราะเราพิจารณาของไม่จริงเนี่ยบ่อยๆเข้าไปอะเมื่อพิจารณาของไม่จริงนี่มันเห็นแจ้งประจักษ์ตามเป็นจริงแล้วไม่ยึดไม่ถือเป็นของเราของเขาแล้วนั่นความรู้จริงมันก็เกิดขึ้นแล้ววันนี้นะ